สองจุสองสี่ธรรมะของหลวงพ่อเทียนวงเล็บเปิดสิบหกพฤศจิกายน2549ันห้าอสี่สิบเก้าในวงเล็บสองจุดจุดนาทีห้าสิบวงเล็บปิดหลวงพ่อไม่เคยเรียนกับหลวงพ่อเทียนแต่เคยเห็นท่านเคยเข้าไปวัดท่านสองครั้งไปดูท่านสอนหลวงพ่อชอบไปจารกรรมเขานะสำนักต่างๆชอบเข้าไปเรียนกับเขาไปดูนะขอไปดูตัวอาจารย์ว่าอาจารย์ภาวนาอย่างไร หลวงพ่อเทียนสอนโยมเต็มศาลาเลยวันนั้นสอนให้โยมขยับมือหลวงพ่อเทียนขยับไปตื่นตื่นเจิดจ้าเลยนะสบายรู้ลูกศิษย์เพ่งเอาเพ่งเอาไม่เข้าใจคิดเอาคิดเอาขยับเหมือนอาจารย์เปียบเลยแต่จิตไม่เหมือนกันใช้ไม่ได้หรอกจิตไม่ได้มีสติจริงหลวงพ่อเทียนเป็นอาจารย์ที่เก่งนะหลวงพ่อเทียนสอนธรรมะเด็ดๆเอาไว้อันหนึ่งหลวงพ่อชอบมากเลยท่านบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิด ถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติปิดเครื่องหมายคำพูดรู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติเนี่ยแล้วท่านสอนต่อว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดการดูจิตเป็นวิธีที่รัดสั้นที่สุดปิดเครื่องหมายคำพูดเพราะกุศลอกุศลสุขทุกข์ดีชั่วอะไรทั้งหลายกระทั่งมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นที่จิต ไม่ได้ไปเกิดที่ลมหายใจนะแต่ว่าบางคนดูเข้ามาที่จิตที่ใจเลยไม่ได้ไม่มีกําลังพอก็ไปดูกายก่อนกายเป็นบ้านของจิตเราหาเจ้าของบ้านยังไม่เจอเราก็ไปเฝ้าหน้าบ้านเขาดูอยู่ที่กายนี่ฉะนั้นกรรมาฐานนี่อย่าให้เกินกายออกไปรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่จิตใจของเรานี่มันเห็นเลยกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราดูง่ายมากเลยนะแค่ฟังหลวงพ่อพูดแล้วสติเกิด จะเห็นทันทีเลยว่ากายไม่ใช่เราเห็นทันทีเลยนะเพราะว่าเป็นของง่ายพระพุทธเจ้าสอนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราคนศาสนาอื่นก็เห็นได้ท่านว่าอย่างนี้แต่ว่าไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจึงละสากยธิฐิไม่ได้มันยังเหลือว่าจิตเป็นเราอยู่ท่านบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะจิตเกิดดับรวดเร็วมาก เรามีหน้าที่ฝึกสติของเราให้เร็วขึ้นนะเพื่อจะได้รู้ทันสภาวะธรรมที่เกิดดับในจิตใจได้เร็วขึ้นพวกเราหลายคนปฏิบัติกลับข้างเราพยายามหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงเพื่อสติที่ช้าๆจะได้ทันอารมณ์นั้นหน่วงไม่สําเร็จนะสมมติว่าเราเดิน9้าละห้านาทีอย่างนี้จิตแอบทํางานเป็นร้อยครั้งแล้วใช่ไหมมันไม่หยุดช้ากับเรานะเราจึงต้องฝึกสติของเรานี่แหละให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นให้ทันสภาวะนะไม่ใช่หน่วงสภาวะเพื่อให้สติช้าๆไปทันมัน ต้องค่อยๆตามรู้ตามดูนะสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งร่างกายขยับปั๊บสติรู้จิตใจเคลื่อนไหวปั๊บสติรู้เอาเลยนอนหลับอยู่พลิกซ้ายพลิกขวา ย, ยังรู้เลยอย่าว่าแต่ตื่นเลยรู้แล้วก็มีปัญญาใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นไปก็มีปัญญาขึ้นมาร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันถึงต้องเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นนะ มันทนไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวถ้ามันเคลื่อนไหวไม่ได้มันทุกตายเลยจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงเนี่ยดูของจริงลงไปจิตใจเป็นอนัตตาด้วยบังคับไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้นี่ดูอย่างนี้นะ